สันตินันหรือพระประปาโมทปราโมโชในปัจจุบันบทความจากธรรมะใกล้ตัวอ่านโดยนอนุสอ น, นตรีโสภา27มิถุนายนพุทธศักราช ส, ส่งพันใจอันรอ้อด้วยไฟใหญ่ เชื้อไฟสิ้นจุดลงสิ้นทางต่อ